แปลโดยอัดภาคที่หนึ่งเรื่องที่สี่เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาหิเวเรนะเวรานิเป็นต้นจบประโยคดังได้สะดับมา บุรชายกุดุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาเสียแล้วทำงานทุกอย่างทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองเทียวปฏิบัติวงเล็บเปิดดูแลวงเล็บปิดมารดาแล้วจบประโยคต่อมามารดาได้บอกแก่เขา ว, ว่าพอคุณแม่จกนำนางกุมาริกามาให้เจ้าจบประโยคบุรชายตอบว่า แม่ครับแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยลูกจากปฏิบัติวงเล็บเปิดเลี้ยงดูวงเล็บปิดแม่ไปจนตลอดชีวิตจบประโยคมารดาจุลภาคพอคุณเจ้าคนเดียวทำงานอยู่ทั้งที่นาและที่บ้านเหตุนั้นความสบายใจจึงไม่ได้มีแก่แม่เลยแม่จากนําวงเล็บเปิดนางกุมาริกา วงเล็บปิดมาให้เจ้าจบประโยคเขาแม้ห้ามวงเล็บเปิดมารดาวงเล็บปิดบ่อยครั้งแล้วได้นิ่งเสียแล้วจบประโยคมานดานั้นได้ออกจากเรือนเพื่อไปยังตะกูลหนึ่งจบประโยคน์ลำดับนั้นบุชายถามมานดานั้นว่าแม่จะไปตะกูลไหนเมื่อมานดาบอกว่า ตระกูลชื่อโนนท์ดังนี้แล้วจึงห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้วบอกตระกูลที่ตนเองถูกใจจบประโยคนางได้ไปนะตระกูลนั้นสู่ขอกุมาริกาแล้วกาหนดวันมงึงลด้เปิดแต่งงานมงไล้ปิดนำนางกุมาริกานั้นมาแล้วได้แต่งไว้ในเรือนของบุตรชายนั้นจบประโยค นางกุมาริกานั้นได้เป็นหญิงหมันจประโยคครั้งนั้นมารดาจึงพูดกับบุตรชายนั้นว่าลูกเอ๋ยเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกาตามใจชอบของตนมาบัดนี้นางเกิดเป็นหมันเสียแล้วอันธรรมดาว่าตระกูลที่หาบุตรวงเล็บเปิดสืบสกุลวงเล็บปิดไม่ได้พี่นาตประเพณีไม่สืบสาย เพราะฉะนั้นแม่จกนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าแม่บุตรชายนั้นจะบอกว่าอย่าเลยแม่ก็ยังได้พูดวงไลเปิดอย่างนั้นวงไลปิดบ่อยครั้งจอประโยคนางผู้เป็นหญิงหมัน่นได้ยินท้อยคำนั้นแล้วคิดว่าธรรมดาว่าลูกชายทั้งหลายย่อมไม่อาจฝ่าฝืนคำของมารดาบิดาได้ บัดนี้แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นที่คลอดบุตรได้มาจากใช้เราด้วยการใช้เยี่ยงนางทาอยากระนั้นเลยเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเองเลยทีเดียวจึงไปยังตระกูลหนึ่งสู่ขอนางกุมาริกาเพื่อประโยชน์แก่สามีนั้นถูกคนทั้งหลายในตระกูลนั้นห้ามว่าแม่นางหล่อนพูดอะไรเช่นนั้น จึงขอร้องว่าดิฉันเป็นหมันตระกูลหนึ่งหาบุตรวงเล็บเปิดสืบเชื้อสายวงเล็บปิดไม่ได้ย่อยยับทิดาของพวกท่านได้บุตรแล้วจากวงเล็บเปิดได้วงเล็บปิดเป็นเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของขุมทรัพย์ขอพวกท่านได้โปรดยกบุตรีนั้นให้แก่สามีของดิฉันเถิดให้ทุกคนยอมรับแล้ว จึงได้นำนางแต่งไว้ในเรือนของสามีจจประโยคกต่อมาหญิงหมันนั้นได้มีการปริวิตกดังนี้ว่าถ้านางคนนี้จะได้บุตรหรือทิดาไซนางคนนี้ผู้เดียวจะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์นางจะไม่ได้ทารกโดยประการใดการที่เราจะกระทํานางโดยประการนั้นสมควรจจประโยคก ลำดับนั้นหญิงหมันจึงพูดกับนางว่าคันตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อใดหล่อนเพิ่งบอกแกฉันเมื่อนั้นจบประโยคนนางรับว่าได้จ้ะเมื่อตั้งคันแล้วจึงได้บอกแก่หญิงหมันนั้นจบประโยคส่วนหญิงหมันนั้นแลให้ข้าวต้มข้าวสวยแก่นางนั้นประจำจบประโยค ทีนั้นหญิงหมันนั้นได้ใส่ยาสําหรับทําคันให้ตกไปวงเล็บเปิดยาทําแทงจุลภาคยาขับวงเล็บปิดปนกับอาหารนั่นแล่เกตางโจประโยคน์คันแท้งโจประโยคเมื่อตั้งคันแม้ครั้งที่สองนางก็ได้แจ้งแก่หญิงหมันนั้นโจประโยคแม้ฝ่ายหญิงหมัน ก็ทำคันให้ตกไปวงได้เปิดทำแทงวงไล้ปิดด้วยวิธีอย่างเดิมนั่นแลเป็นครั้งที่สองจประโยคต่อมาเพื่อนหญิงที่รู้จักมักคุณสอบถามนางว่าหญิงร่วมวงได้เปิดเมียหลวงวงได้ปิดทำอันตรายหล่อนบ้างไหมโจประโยคนางเล่าความนั้นวงได้เปิดทั้งหมดวงได้ปิด ถูกหญิงเหล่านั้นต่อว่านางโง่เขลาเพราะเหตุไรหล่อนจึงได้ทำอย่างนี้เล่านางคนนี้ปรุงยาทำแทงให้แกหล่อนเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่เพราะเหตุนั้นขันของหล่อนจึงแทงหล่อนอย่าทำอย่างนี้อีกนะตั้งนี้แล้วจึงไม่บอกในวาระที่สามเจ้ประโยคลาดับนั้นหญิงหมันนอกนี้ เห็นท้องของนางกุมาริกานั้นแล้วจึงพูดว่าเพราะเหตุอะไรเธอไม่บอกซึ่งความที่คันของเธอตั้งอยู่เฉพาะแล้วเมื่อคำว่าท่านนำฉันมาแล้วให้คันตกไปแล้วสองวารักฉันจะบอกท่านเพื่ออะไรดังนี้อันนางกุมาริกานั้นกล่าวแล้วจึงคิดว่าเราเป็นผู้ชิบหายแล้วในบนัดนี้คอยดูความเผลอของนางกุมาริกานั้น ครั้นเมื่อคันแก่รอบแล้วจึงได้โอกาสจึงประกอบยาได้ให้แล้วจบประโยคคันไม่อาจเพื่อตกไปเพราะความที่คันนั้นเป็นคันแก่รอบแล้วนอนขวางแล้วจบประโยคเวทนากล้าแข็งบังเกิดขึ้นแล้วจบประโยคนางถึงความสงสัยในชีวิตแล้วจบประโยคนางกุมาริกานั้นพูดว่า เราเป็นผู้อันท่านให้ชิบหายแล้วท่านนั่นเทียวนำฉันมาแล้วยังเด็กสามคนให้ชิบหายแล้วในบัดนี้ฉันจะชิบหายแม้เองเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้ไปในบัดนี้แล้วพึ่งเกิดเป็นยักษ์นินีซึ่งเป็นผู้สามารถเพื่อเคี้ยวกินพวกเด็กของท่านทั้งนี้แล้วตั้งความปรารถนากระทำกาละแล้ว เกิดเป็นนางแมวในเรือนนั้นนั่นเองโจ้ประโยคฝ่ายสามีจับหญิงหมันแล้วกล่าวว่าเจ้าได้ทำการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนดังนี้แล้วทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้าแล้วเจ้ประโยคหญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั่นแลแล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกัน จจประโยคกจำเนียนการไม่นานแม่ไก่ได้ตกฟองไข่หลายฟองโจประโยคแม้แมวมากินฟองไข่ไก่เหล่านั้นเสียโจประโยคแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามแมวนั้นกินเสียเหมือนกันโจประโยคแม่ไก่ทำความปรารถนาว่ามันกินฟองไข่ของเราถึงสามครั้งแล้วบับ น, นี้มันต้องการจะกินแม้เรา บัดนี้เราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วพึ่งได้เพื่อกินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองจบประโยคแม่แมวนอกนี้ได้เกิดเป็นแม่เนื้อจบประโยคในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสีย ถึงสามครั้งจบประโยคเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วบัดนี้มันจะกินแม้ตัวเราจุลภาคในบัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แลพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษินี จประยคฝ่ายไม่เสียเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถโจประยคนางถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองโจประยคในการต่อมานางคลอดบุตรคนหนึ่งโจประยคนางยักษินีจำแรงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของนางกุลธิดานั้น มาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนจบประโยคภูกชาวบ้านได้บอกว่านางคลอดบุตรอยู่ในห้องจบประโยคนางยักษินีฟังคำนั้นแ้งพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอจุลภาคฉันจะดูเด็กนั้นทางนี้แล้วเข้าไปทำเป็นแลดูอยู่ จัทารกกินแล้วไปโจประโยคแม้ในห่นที่สองก็ได้กินแล้วเหมือนกันชบประโยคในห่นที่สามนางกุลธิดามีคันแก่เรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษินีตนหนึ่งกินบุทของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วไปจุลภาคแบบนี้ฉันจะไปสู่เรือน แห่งตระกูลของฉันคลอดบุตรดังนี้แล้วไปสู่เรือนแห่งตระกูลคลอดบุตรที่นั่นโจประยคในการนั้นนางยักษินีนั้นถึงวาระส่งน้ํโจประโยคด้วยว่านางยักษินีทั้งหลายต้องตักน้าจากสระอ น, นดาดทูลบนศีรษะมาเพื่อเท้าเวสุวรรณตามวาระ ต่อล่วงสี่เดือนบ้างหเดือนบ้างจึงพ้นวงเล็บเปิดจากวาระวงเล็ปิดได้โจประโยคนางยักษ์ศรีเหล่าอื่นมีกายบอกช้ำย่อมถึงความสิ้นชีวิตโจประโยคส่วนนางยักษ์ศรีนั้นพอพ้นวาระส่งน้ําเทียวรีไปเรือนนั้นแล้วถามว่าหญิงสหายฉันไปไหนโจประโยคพวกชาวบ้านบอกว่า ท่านจะเห็นเขาที่ไหนนางยักษินีเคี้ยกินทารกที่คลอดของเขาณที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปเรือนแห่งสกุลโชประโยคนนางยักษินีนั้นคิดว่ามันจะไปที่ใดหรือที่นั้นก็ตามมันจะไม่พ้นเราวงเล็บเปิดไปได้วงเล็บปิ ด, ไปไ ด, ปดถูกกำลังเวณให้อุสาหะแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมือง จบระโยคแม้กุลธิดานอกนี้ให้ทารกนั้นอาบน้ำในวันรับชื่อตั้งชื่อแล้วจึงพูดว่านายบัดนี้เราจะไปเรือนของตนจึงพาบุตรเดินไปโดยทางที่ผ่านไปถ่ำกลางวิหารกับสามีให้ลูกกับสามีนั้นจึงอาบน้ำในสระโบกรณีใกล้วิหาร ขึ้นวงเล็บเปิดจากน้ำวงเล็บปิดแล้วรับลูกครั้นเมื่อสามีกำลังอาบน้ำยืนให้ลูกกินนมอยู่เห็นนางยักษินีกำลังมาจำได้จึงส่งเสียงดังว่านายมาเร็วผู้นี้คือนางยักษิศีตนนั้นไม่อาจยืนรอจนกว่าสามีนั้นจะมาได้จึงหันกลับวิ่งบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารจประโยค สมัยนั้นพระบรมศสาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ณถ้ำกลางบริษัทจประโยชนางกุลธิดานั้นให้ลูกนอนลงบนหลังพระบาทพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันขอถวายลูกคนนี้แด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานชีวิตแก่ลูกของหม่อมฉันด้วยเถิดโจประโยชเทพผู้มีใจดี ซึ่งสิงสถิตยอยู่หนซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในโจประโยคพระบรมศสาสดาทรงรับสั่งเรียกพระอาณ น, นทถระมาแล้วตรัสว่าอานน์เธอจงไปเรียกนางยักษินีนั้นมาเถิดโจประโยคพระเถระเรียกนางยักษินีนั้นมาแล้วโจประโยคนางกุลธิดานอกนี้กราบทธุนว่า นางยักษินีตอนนี้กําลังเดินมาพระพุทธเจ้าข่าจตประโยคพระบรมศาสดาตรัสว่านางยักษินีจงมาเถิดเธออย่าส่งเสียงดังไปเลยดังนี้แล้วได้ตรัสกับนางยักษินีนั้นผู้มายืนอยู่ว่าเพราะเหตุไรเธอจึงทําอย่างนี้ก็ถ้าพวกเธอไม่มาสู่พบเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วไซ เวนของพวกเธอจักตั้งอยู่ชั่วกับเหมือนเวนของงูกับพังพรเหมือนเวนของหมีกับไม้สคอและเหมือนเวนของกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุไรพวกเธอจึงก่อเวนและตอบสนองกันเพราะเหตุว่าเวนย่อมสงบประงับได้ด้วยความไม่มีเวนหาสงบประงับได้ด้วยเวนไมดังนี้แล้ว ได้ตรัสพระคาถานี้ว่าก็เวรทั้งหลายในโลกนี้ในการไหนๆย่อมไม่สงบระงับได้ด้วยเวรเลยแต่ย่อมสงบระงับได้ด้วยความไม่มีเวรทาข้อนี้เป็นของเก่าดังนี้จ้ประโยคพระบรมศาสดาตรัส ก, กหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุทของเจ้าแก่นางยักษณีนี้เถิดจ้ประโยค อยงนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ชเชิญข้าพระองค์กลัวโจประโยคพระบรมศาสดาตรัสว่าเจ้าอย่ากลัวเลยจุลภาคอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะอาศัยนางยักษณีนี้โจประโยคนางได้ให้บุตรแก่นางยักษิณีนั้นแล้วโจประโยคนางยักษณีนั้นอุ้มขารกนั้น จูบกอดแล้วคืนให้แก่มารดาอีกก็เริ่มร้องไห้เจ้าประโยคลำดับนั้นพระบรมศาสด า, สดาตรัสถามนางยักษณีนั้นว่าอะไรนั่นจ้าประโยคนางยักษณีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีพคงได้เปิดโดยทุกวิธี คงเละปิดด้วยไม่เลือกทางยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องจุลภาคแบบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรเั้าประโยคลําดับนั้นพระบรมศาสดาตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกเลยถึงนี้แล้วตรัสแกหญิงนั้นว่าเจ้าจงนํานางยักษินี ไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีจ้ประโยคน์ยิ่งนั้นนำนางยักษินีนั้นไปให้พักอยู่แล้วที่โรงกระเดื่องบำรุงแล้วด้วยข้าวยาคูและข้าวสวยชนิดเลิอทั้งหลายจ้ประโยคในเวลาซ้อมเขาเปลือกสากย่อมปรากฏคล้ายจะตีกระหม่อมของนางยักษินีนั้น จบปรโยคนางยักษินีนั้นจึงเรียกหญิงผู้เป็นสหายมาพูดว่าฉันจะไม่สามารถจะอยู่ณสถานที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่สถานที่อื่นเถิดแม้ผู้อันหญิงผู้เป็นสหายให้พักอยู่แล้วณนะสถานที่ทั้งหลายเหล่านี้คือที่โรงสากที่ข้างตุ่มน้าที่ข้างเตาไฟ ที่ริมชายหาดที่กองอยากเยื่อที่ริมประตูก็ปฏิเสธสถานที่เหล่านั้นทั้งหมดจประโยคครั้นต่อมาหญิงผู้เป็นสหายจึงให้นางยักษินีนั้นพักอยู่ณสถานที่อันเป็นโอกาสเงียบสงัดภายนอกบ้านนําสิ่งของทั้งหลายมีข้าวยาคูและข้าวสวยชนิดเลิศเป็นต้นไปบารุงนางณสถานที่นั้น โจประโยคนางยักษิศีนั้นคิดอย่างนี้ว่าบัจนี้หญิงผู้เป็นสหายของเรานี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราเอาเถอะเราจะทําการตอบแทนคุณสักอย่างหนึ่งโจประโยคนางยักษิศีนั้นบอกแก่หญิงผู้เป็นสหายว่าในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทําข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้ จากมีฝนแรงท่านจงทำข้าวกล้าเฉพาะที่ลุ่มเถิดโจประยคข้าวกล้าอันชนทั้งหลายที่เหลือทำแล้วย่อมเสียหายเพราะน้ำมากเกินไปบ้างเพราะไม่มีน้ำบ้างข้าวกล้าของหญิงผู้เป็นสหายนั้นย่อมสมบูรณ์เกินเปรียบโจประยคครั้งนั้นชนทั้งหลายถามหญิงนั้นว่านี่เนี่ยแม่คุณ ข้าวกล้าที่แม่นางทำแล้วย่อมไม่เสียหายเพราะน้ำมากเกินไปบ้างเพราะไม่มีน้ำบ้างแม่นางรู้สึกถึงภาวะฝนดีหรือฝนแรงแล้วทำการงานหรือเรื่องนี้เป็นอย่างไรเหนือแลโจประโยคยิงนั้นตอบว่านางยักษินีผู้เป็นสายของเราบอกถึงภาวะฝนดีหรือฝนแรงแก่พวกเราพวกเราทำข้าวกล้าทั้งหลาย ในที่ดอนและในที่ลุ่มทั้งหลายตามคำของนางยักษินีนั้นเพราะเหตุนั้นข้าวกล้าของพวกเราจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นสิ่งของทั้งหลายมีข้าวยาคูและข้าวสวยเป็นต้นที่พวกเรานําไปจากเรือนของพวกเราเป็นนิดหรือสิ่งของเหล่านั้นพวกเรานาไปเพื่อนางยักษินีนั่นแม้พวกท่านก็จงนําสิ่งของทั้งหลาย มีข้าวยาคูและข้าวสวยชนิดเลิศเป็นต้นไปเพื่อนางยักษิศีนั่นเถิดนางยักษิศีนั่นจะดูแลการงานทั้งหลายแม่ของพวกท่านบ้างจประโยคครั้งนั้นพวกชนชาวเมืองทั้งสิน้นทำสการะแก่นางยักษ์ศีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษิศีแม่นั้นแลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ ได้เป็นผู้ถึงลาบอันเลิศมีบริวารมากแล้วโจประโยค์ในการต่อมานางยักษินีนั้นเริ่มต้นสลักพัตนแปดที่แล้วจประโยค์สลักพัตนนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้นั่นเทียวโจประโยคน์นี้เรื่องการเกิดขึ้นของนางยักษินี